วันนี้เป็นวันมาคบบูชาและเป็นวันตรงพระชนคือคล้ายกับวันตรงพระชนของพระพทุทธเจา้าที่จะลาโลกลาสงสารหลาลึนจำแห่งวัฏจกักร สละดธาตุขันทิ้งเพราะป็นทาราเวปัจากขันธา ม, มาเป็นเวลา80ถ้าภรษาแล้วหนักแบบมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันยังอื่นเบาข้าวเรามาหนักหนี่ก็กินไปกินไปหมดไปหมดไปแล้วเบา น้ำต่างมาก็มาชักมาสอยหมดไปเบาถ้าขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเขายิ่งแก่กำลังพลังชาที่จะแบบจะหาไม่พอแล้ว ย, ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับท่านถึงแบบว่าภาระเขาเป็นจากขั้นถ่ายขันทั้งห้า ง, างเป็นภาระอันหนักแบกผู้แบกบกายหนักแล้วยังไม่แล้ว องแบบทุกเวทนาที่มีอยู่ในกายแบกบสัญญาแบบสังขารแบบวิญญาณทึ้นต้นแรกตั้งแต่เป็นของนนหนักหนักนัทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยหนักเคียงหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาพายในจิตใจนะพระพุทธเจ้าต่างกัทรงแบบธาตุแบบขันใอยู่ถึงแปดสิบพระพันตาแล้ววันนี้ คุณง่ายๆคุณโอ้ยเหลือทนแล้ววะลาทัวทีเถอะวะคงตรงพระชนตรงอายุสังขารจากนี้ไป3เดือนจะได้สลัดปัดทิ้งภูเขาภูเรานุสุทีวะเทวร์มันดา พระสาวกอรหันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัธยาศัยใจน้ำใจของตอนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื่อเชิญนิมนต์มาแม่แต่องค์เดียวมารวมกันในเวลานั้นวันนั้นโดยความเรียงถึงได้ประทานพระโอวาทเป็นยิสุธิอุโบสถ บรรดาสาวกอรหันทั้งหลายเป็นเครื่องยื่นให้ลื่นลื่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานเทนั้นในบทความยย่อๆสัปปะปะปะสะการังกุศล ส, สู้ประซึมปรดาสกิฏะประโยชนปะนังเอตงังพุทธ า, น, า, ศ า, ศานิสาสนังอนณุปวารณิปปฆาตุปัติโมเพืจะสร้างวารมัตตานิกาจะผัดตั้งปันตัญจศีลนาสนัง อธิจิตเตยจะอาโยโเอตังพุทธานาสาสนาสัค่ะนี่เป็นพระโอวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันหนึ่งพันสองรห้าสิบองค์นั้นในเวลาบ่ายคล้ายคลาดวันนี้เพระาะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเริงําหรับทั้สาวกอรหันเหล่านั้นไม่ใช่ แสดงเพื่อให้ท่านเอนั้นเป็นผู้ซักพอกเป็นผู้นำไปวพุทธปฏิบตัติเพื่อกําจัดที่เลือดอาเวะออกจากจิตใจเพราะท่านเอนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ยล้วนแล้วทั้งนั้นจึงเดี๋ ว, วิจุตที่อุโบสถอุปทานโทอวา่าในถาำกลางแห่งพิกษุผู้บริสุทธิ์พันสองร้อยห้าสิบองก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยในศาสนาของพระเจ้า ตอนที่ยังสมงพระชนอยู่และตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วทีรา ล, ละลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญทีนำนำเอาเท้าว่าท่า น, นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความจัดที่เหลืออาสะวะที่มีมอยู่ภายในจิตใจของเรา สัพพะปัสสะอภาระนังคำว่าบาปก็คือความเศรหมองความทุกข์นั่นเองบาปทางใจนั้น่ะสําคัญมันสร้างได้ทุกเวลาบาปทางกายทางวาจายังมีการมีเวลาบัาง้งแต่บาปทางใจหยุดสร้างความเศหมองขึ้นมาแต่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปุ่มท่องตัวเองสิ่งที่ผลักดัน ออกมาให้คิดแค่ปรุงเพื่อความเศ้าหมองก็คือเป็นคือสิ่งที่เศ้าหมองอยู่แล้วสิ่งที่โกรกโปรกอยู่แล้วภายในจิตใจทำเดียวว่ากิเลสกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งสัญญาสั้งขานีออกมามเป็นกิเลสอีกประเภทหนะึ่งนั่นก็ทําจิตใจให้เศ้าหมองคือการทําบาปเพืความเศ้าหมอง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 การไม่ทำความเศรหมองนี้ประการหนึ่งจะทำด้วยเหตุใดถึงจะไม่สศมองกูจะสู้ไปรสร้างปัจจัยให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักพอกความสศรหมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้แล้วกลายเป็นสกิจตะประโยชน์ปานังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักพอก บาปความสศรมองสศกโศกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความปรองใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตะปยุรปันังเี่ยเป็นความปรองใสขึ้นมาเมื่อทําละอยู่ในถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ถ้าโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทําอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือก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 เพราอวาอัตแบบนี้ก็จะมีขึ้นมาหมายพานอนอยู่เปรสบายาเพลย์เราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี้มันไม่มีไม่มีทางที่จะทําได้อย่างนั้นถ้าองค์เองแต่ละพระองค์ซีบจงบําเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าทาละกิเลสออกหมดจากพระทัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ทําละด้วยวิธีเปลวิธีหมอน พอจะสร้างเตยสร้างหมอนในพุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหาหามเตยหมอนนั้นไปเพื่อแกที่เด็กจะ ไ, ได้สะดวกสบายเลยไม่มีจึงต้องสอนลงในจุดที่ถูกต้อง <c oughs> เหมาะสมนี้ดับดับดับเ <c oughs> ถิดพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ทรงเลือกเฟ้นเต็มสติกำลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่รรดาสัตว์ทั้งหลาย คว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับความชอบใจของบรรดาตัดความเหมาะสมในการแก้กิเลสของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นพูอย่ายๆว่ามีสัพพาวัฏสักการณังกูจะสูประซึมปรดาเกิษฐกิปตะเพยอุตป ร, ปรป น, นังมีเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใด ที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดรอยออกไปได้มีวิธีนี้เท่านั้นนะประิยาไปอีกก็ก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดนะจะไปกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดนะีอนุปคาโตอยา่าฆ่าอย่าทำลายหรือทำร้ายจาัตหรือมนุษย์นยะนะไม่ดีนะ ปาฏิมโมคเคจะสังวโรให้สร้างรวมอยู่ในข้ออาดข้อทรรมที่จะเป็นเครื่องตอดถอนกิเลสเ น, นี่ยนัตตันญตาจะพ่าตัดสมิงรู้จับประมาณในการอยุดการกินอยู่ปววยอย่าให้พุ่งพวยเกินเกินเหตุเกิ น, ก น, กนผลถ้หนำหนักนะปฏิบัติสอนอย่างนั้นรู้จักประมาณเนี่ย ปัญจเจนาสนังเหแสดงหาที่นั่งที่นอนอัมสงัดเพื่อความจัดทิเลสเพื่อความมือเวกนั้นนั้นเนี่ยอธิจิตเจะอโยโกคงประกอบติดให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับีขยายความออกมานะ่ก็มีท่านนั้นอันนี้ก็เป็นเตตังพุทธาศาสนาเหมือนกันนี่เป็นพระสงฆ์ที่เาทุกๆองค์เช่นเดียวกันเี่ยท่านเลือกเฟ้นเต็มกําลังความสามารถแล้ว ไม่มีถ้าจะเราก็พูดําแต่ภาษาเราให้สบายๆท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายๆหาเสือ่อหาหมอนหาที่นอนหมอนมุ้งไล่อยุงออกหมดอย่าให้มีอะไรมาลกุกวนเลยอยู่สบายๆพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าต้องไม่ทรงทำเพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์หมดเวลา ประกาศทำให้เป็นเครื่องรื่นเรงแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ท่านก็พยายามสอนวิธีที่สัพพาวัชฌะาาากำลังนี้ทั้งนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะทำพิเดชให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลาดับในพระโอาวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะ ยากก็ต้องไปแถะทางนี้ลำบากหุกฮะสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นถือจะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากภุดโตรการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนี่ก็อว่านี่ถึงใจพวกเราไหมที่นาน ถึงพระไทยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถอดออกมาจากพระไทยมาสอนพวกเราพวกเราถึงใจาไหมพระองค์ให้เลิกพระเมตตาเต็มพระไทยพวกเรารับตึกความจงรับผังดีเต็มจิตเต็มใจมากน้อยประการใดบ้างนี่หากการลับทําบุญจะทิ้งสีทิ้งเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่สมเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระวสีให้โอ้ถุกขังเดือนมาแล้วถึงวันเดือนหกเทนก็เป็นวันทมตปรงสังขารที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันเดือนสามเทนเช่นค้ากับวันนี้ จากนั้นมาก็เดเินผ่านล่วงขันสิ่นบังคับหรือก่อควานนี้ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภา่เสสานิพานล้วนๆหมดความกังบนหมดความนับกิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย มนจะมีเอหมือโลกโลกก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติน้าใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลกคือโลกของความสมมตุติของความเสียสันของความแปรปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกข์ของหน้าตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นภพใดชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกข์ของหน้าตาเป็นเจ้าอนานาจเป็นทางเดิน ใครจะหา้ามไม่ได้พอพ้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไปมีขาโตกรณีบูโตนั่นแะคือดับสนิทไม่มีสมมติใดๆเหลืออยู่เลยธรรมนี้เป็นเครื่องกลางวานอยู่ในความรินที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติ ด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทําเหล่านั้นก็จะมากลางวานอยู่ายในจิตใจของเราต้นต้นก็จะกลางวานอยู่ในความสงบร่มเย็นภายในจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นขันแล้วก็จะกลางวานอยู่ด้วยปัญญาความคิดค้นหาเหตุหาผลพวกต้ตนตนหลุดพ้นออกได้เป็นระยะระยะสุดท้ายก็กลางวานถึงความบริสุทธิ์หุดท้นโดยประการทั้งปวง ทิศาโตเป็นีนิบุโตดับความหิวโหยอะไรทั้งหมดเพราะกิเลสทุกประเภทเป็นเชื้อความหิวโหยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลสเราจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุดก็สู้ความหิวไม่ได้นักกิจตันหาสมานาทิ ความหิวโหยที่เกิดหน้าของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้นี่มีเต้นในหัวใจของสาสตร์โลกไม่เคยบกท่องเลยตลอดกาลไม่ไหลไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนข้างขึ้นข้างแลรงให้เหมือนน้ำมหาสมุทรที่มีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้น้ำมั น, นี้ได้อย่างไ้แล้วนี่จะเหนื่แห้งด้วยวิธีใดเหนืแห้งด้วยการวิท ในทางความภาคเพียงของผู้ปฏิบัติไม่ค่อยหมดไปหมดไปถอนทุกวันพิจารณาทุกวันเข้าใจทุกวันปวดเพื่องก็ได้ทุกวันอน้มามันนี่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะักเท่าขันเแล้เนี่ยไงผูกประคันโดยนาขันัธนาขันทั้งขานขันเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สัหรจิตที่ยึที่ยึด ท, ท, ที่ถือ แผ่นดินทั้งแผ่นมันก็ไม่ไปยึดมันมายึดอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นควันเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมชาติอันนี้อืมไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหมมันเม็นเหม็นไฟที่เละทันหาทวะาซึ่งมัอยู่ภายในจิตใจเผาที่ตรง น, รงนี้ถึงต้องได้วิทยออก น้ำท่วมนี้เราได้เคยินแต่น้ำท่วมปอดหมอหีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลสัญหาเพราะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูบดูดออกละ่ะถ้าไม่เอาศัทธาความเพียรสติปรรัญญาที่ทำา น, นไม่มีทางตอนนี้ดูดออกคนที่พิจิจณาให้มันเห็นชาติตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไร แต่สำคัญอะไรอืธรมรมดายิ่งเล่ห์มันต้องอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรรมจึงเป็นคู่แข่งของธรร ม, มควานยึดคําถือเ่องนี้เป็นเรื่องของยิ่งเล่หการพิจารณ์ที่ถอดถอนยิ่งเล่ห์นี้คือธรรมถอนเลยปัญญาปัญญาก็คือธรรมปลดพ้นไปแล้วความสุขก็คือนิพพานะธรรม วิสุทธ่ทรรมหนีเป็นคู่แข่งกันวิเครบ์เวลาเราพยายามอย่าให้แพ้สิ่งหนน่านี้เวลานี้เราขึ้นเวทีแล้วอาให้เป็นแชมเปี้ยนใช่มสู้ไม่ถอยตายเท่านั้นตัณใจเขาหาลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พออะไรสู้สู้ไปสู้ไม่ได้ก็แช่งนบนเวทีไปไหนมันนักสู้ว่ะ สู้เขามันนก็ด่าพ่อด่าแม่เข้าไปด้วยกว่าฉันมีอาวุธอันนี้หนักเพราะว่านั้นที่ต่อยไม่ได้ฉันสู้ไปฉันต่อยไปฉันล้มลงก็ปากฉันถึงล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีวักว่าสู้มันถนขนาดนั่นเลยนี่เรียกว่านักรบนาอืมนี่เราเทียบนักรบไม่หรือไม่ต้องไปด่าไปใช่อะไอื่นไม่ได้นะอืมันไม้ต้องมาเราสู้นี่เลยเอาขนาดนั้นนะ เห็นไหมนะครูบาอาจารย์เห็นประจับอย่างนี้ที่เราได้กราบไหว้บูชาท่านมีแต่ท่านนับสู้แบบนี้ทางนั้นนะแล้วท่านก็ได้ใช้ชนะมาด้วยวิถีใช้ใช่เอาท่านเอาวิธีไหนมาสอนพวกเราที่สอนแบบเบื่อเปร ย, ปยอย่างว่านเหรอท่านอย่างนั้นครูที่เขามาสอนแล้วนี่ครูบาอาจารย์นั่นจะไปอวดว ด, ดีเอาดีเอานั้นมาสอนลูกศิษย์ได้เลยนะจะต้องอความต่อสู้ความทระหดอดทนพิจนาคลิกแทงเปลี่ยนแปลง เรื่องปัญญางของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมีเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมคมสามารถที่จะถอดถอนตนได้จากหลมเล็กที่มันตักตนอยู่ภายในธาตุในขันนี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถือสุดท้ายกับปักอยู่ที่กิจถอดถอนมันไปหมดถอดถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไปนี้ ถอนจิตของเราออกจากทุกเวทนาที่ขาใจว่าเป็นตนนี้ลูกถอนออกจากพระมรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนออกจากเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสังขาเนิย ญ, ญาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ออกออออพยายามถอดถอนตรง น, นี้ด้วยปัญญาเ <c oughs> อาให้ทาน จิตเป็นของละเอียดรอเป็นของยิเสียยิโสธาตขันน้่ยิเสษยยิโสอะไรถึงจะแบกไปหามงของไปยึดไปถือขอถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเป็นภูมิถึงไปยอมแบกสิ่งที่ยาบยาบนักไฉลาดแล้วก็ไม่แบกรู้เท่าทันต่อเงินตราสภมผาของมันเน่ยคือแบกมันทรไมคนลงไปสติปัญญาี แล้ไม่ต้องกลัวเรื่องตายน่ะกลัวไปหาอะไร ค, ความกลัวมเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วตลองกลัวทําไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายน่แ น, น่แล้วมีอะไรตายนี่กิเลสมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเผออแทบเดียวมันเข้าย่องทํามาแล้วนะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนีตนน้ตายที่นั่นตายที่นี่เลยคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละดูดูคิดยุ่ง ถ้ามันดีเถย่ไม่ว่าอะไรเร า, าเป็นคนดุ้งเองก็คือใจเป็นคนดุ้งเอง mm hmm. เอใจมันรับผิดชอบเองรับผิดชอบอะไรมันต่อควรตัวเอง mm hmm. ไม่ใช่รับผิดชอบทำอย่างนั้นการรับผิดชอบตัวเองต้องเป็นปรไปด้วยปัดา ท, ที่จะนาถอดถอนที่นาปลดเครื่องความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายการเจ็บไข้อะไรๆ mm hmm. เตื้องนันถ้ามันเห็นความจริงไปทั้งหมดนั้นก็สบายเท่านั้นแหละมีความสบายอยู่ที่ตรงนี้ ความรั <C oughs> บผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรง น, นี้ภัยชุณาก็อยู่ที่ตรงนี้ ย, ยินแต่ข่าวท่านเป็นพระราษฎร์ท่นพระทหารหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นี่ ย, ยินแต่ขาวท่านคุนั้นสําเร็จโสดาคุณนี้นสำเร็จสกิทาคุณสำเร็จอนาคาคุณนี้นสําเร็จ อ, าา อ, จอระระพรหัต ข่าวของเราหนึ่งแต่ความอ่อนความแอร์ความท้อแท้ท้อถอยความอับเทาเบ า, เบาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายม่แต่ข่าวของเราข่าวของเราเป็นอย่างนั้นนี้มันก็ข่าวของเราเป็นไงมันก็ทุกข์ก็เป็นข่าวของเราความจมกับข่าวของเราอีกแหะเนี่ย ที่ในปรัชานามันก็มาเป็นข่าวของเราพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดีธรรมะนี่ไว้เพื่อใครว่านั่นอะไรที่สอนว่านี่สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นธรรมะนี่สอนเพื่อใครถ้านสอนเพื่อเราสอนเพื่อเราเพื่อให้แก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่แนะมันก็ไม่อยู่ที่นี่ ก็เหมือนทุกพุทธเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้เขาสดร้อนร้อนใครที่ไหนทำมาพุทธเจ้าอยู่กับตัวของเราแล้วจะไปฆ่าตันหมายพุทธเจ้านิพพานที่รวมที่นี่พระธรรมท่นสอนทั้งโน้นทั้งนี้ความจริงไม่มีการมีสมัยออนี่อยู่กับบุคคลทุกคนผู้สอบแสรงหาความจริง ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ล้าสมัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกาทการทุกเวล า, าในใจของจัตโลกขณะขั้งกิจการนู้นหรือขั้งนี้เป็นคนมีกิเลสด้ยวยกันเนี่ยการแก้กิเลสก็ต้องแก้โดยศีลสมาธิปัญญาัาปพาความเปี่ยนของเวาราด้วยกันมันจะอ่างเหินกันที่ไหนไม่ได้หางนี่แก้ให้ถูกจุดเธอพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้น มันสว่างสวัยที่สุดเบิกออกตรงไหนมันปิดปขาิดกำบังใจมันมีกลุ่มมีมัวตรงไหนจอปัญญาลงไปนั้นจอสติลงไปตรงนั้นพิจนาอันนั้นเป็นอารมณ์มันส้นสมองที่ไหนความส้นมองเป็นสภาพอันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยเหนความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอ้อนี่มืดผู้ที่รู้ว่ามืดมันไม่มันไ มันไม่มันไม่เด่นมืดนี่อืยถ้าว่ามันก็รู้มืดมันก็รู้ถ้ามืดข้างในภายในใจเราก็รู้อับเฉามันก็รู้ผ่องใสมันก็รู้ผู้รู้รู้อยู่ปัยญาพิจารณาเข้าไปหรือเอาหยุดหรือถือเอานั้นเป็นเป้าหมายพิจารณาเราอย่าไปตกใจอย่าไปดีใจเสียใจกับความเศร้หมอง ความอับเฉาที่ปรากฏขึ้นมาจิตใจถ้าเห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับนอกประจากใจเป็นแต่เพียงอาศัยใจเกิดขึ้นและเกาะ อ, อยู่ที่ใจเท่านั้นให้เราทบมันทุรยะเราจะแสดงความไม่ตกวิจารกำมันอะไรผ่านเข้ามาให้รู้หมดชื่อนัดศึกษาและปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้สอบสอบด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกับตน ความรู้แท้ไม่ได้มีขึ้นมีลงไม่ไดเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอาการอันหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่า น, นี้มันหมดไปก็เหลือแต่ความมืสุดล้นเท่านั้นแล้วไม่ต้อ ง, งไม่ได้กังวลปักสิตเร่งนี้อีกต่อไปการที่เราได้พิจารณาและได้พบได้เห็นสิ่งนี้เสมอาทายในจิตใจก็เพราะสิ่งนี้ยังมีก็ต้องประกาศความมีของคนให้เราทราบถ้ า, าต้องการความจริงก็ต้องดูดูความจริงที่ปรากฏขึ้นทั้งความเข้าความใส สั้งความอับเฉาทั้งความสูขความทุกข์มีปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อวเวลารอบด้วยกันอะเพราสิ่ง น, นี้เ ป, นเป็นเป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้ทันทั้งนั้นพื่อปัญญาของเห่าเรียนจกจ ก, กตรงนี้นะไม่จบที่ไหนจบปั ญ, ญญาตรีปัญญาโทปั ญ, ญญาเอกว่าไไาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา สามประยชสี่ประโยคนห้าประโยคนเก้าว่าได้งั้นแหละนอกนะลาดับลำดาเท่าไหร่ก็มาสิ้นจุดสิบห้าประโยคน์สามสิบประโยคก็ว่าเป็นกันไปได้เอกิเลียมันไ่างเป็นประโยคไหนที่มันหันอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลาเอียมันต่ํำต้อาคนเมื่อไหร่อำห น, นานมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าตลาดมันกัเหยียบย่าทำลายมันลงไปได้เนี่ย นี่เราสร้างคุกที่ตรงนี้เรียนความรู้เรียนทุกองนี้ญาตรีกันมันรอบตัวสีสมมาคิปัญญาปัญญาตรีฮ ะ, ออ ะ, อะอขงอขงอรรนี่นี่โทก็เลื่อนท่านเป็นไปอเอกขั้มีเอกกิตเอกธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นคนตาบอดข้างหนึ่เสียหลืออยู่ตาข้างเดียวก็กว่าเอกอย่างเป็นเอกแบบนั้นถ้าเอกแบบนั้นแหละมันเออีกที่สองนี่เสร็จนะ มันบอกขัออก้นแล้วยังเหลือยตาเดียวแล้วนี่จะชมมันเอาทําลายตาไอ้เอกเอาที่นี้จะชมไป่แ่ไหนยยไปไม่รอดเอเอกแบบหนึ่งเดีย น, นี่เอกของพระเจ้จริงเอกอ ก, ฐฐเอกิจเอกธรรมเรียนให้ถึงขัญปัญญาเอากนี่เองปริญญาปัญญาก็รู้รอบอย่างนี้มันต้องจะเป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้ยังไงรอบแล้วของนี่แหละเจ้าของมันโง่ปัญญาก็ามา ใต่กองที่นี้ปีนาทำละถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวคณะทำแท้เป็นอันเดียวจิตประทามเป็นอันเดียวกันพุกทางธรรมังสังขังสันนังกระฉานีิลงในธรรมอันเดียวทั้งหลานธรรมโมปีโปสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาอาการลิโกนี้คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการอนี้เป็นแท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธทางธํรมังสั้งทางสังฆะถามนี้เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสนะณะย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ในองค์แห่งความไม่สุกภายในใจของเรานี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสระณะทั้งสามนั้น่านเห็นชัดเจนภายใจิตใจมีเชื้อสร้า ง, รรงสระณะขึ้นภายใ น, นตัวเองอัตตาหิจามาโผเต็มโพตองอาศัยอะไรละ พุทธานี้ชั้นใดธรรมะนี้ชั้นใดสังขารนี้ชั้นใดพุทธะธรรมะนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหนเอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอะทำทั้งดวงในความเป็ถึูงเราบูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธะของท่านชั้นใดพุทธะของเราฉันนั้นทำนั้นชั้นใดทำนี้ชั้นนั้นเป็นอันเดียว ก, กันเลยไม่สงสัย แต่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่ถึงสัยเพราะเป็นอาการนี่ถึงฐานลงขันท่ า, านปลอยธาตุขันธ์ต่างหาในสถานที่นั้นการเวลานั้นปีนั้นพศนั้นพระสงฆ์ชาวโลกเหมือนการท่านนิพพานไปแล้วหายหมดสูญสิ้นไปหมดมต้องในคิดอย่างนั้นนะต้องเป็นความเห็นผิดก็ควรไป็นเ่าสั้งโคคืออะไร ก็คือผู้ทรงผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือสังโคแทะหาหน้าที่ตัวของเราเป็นอัตตาหิจนมูนาถโถสร้างที่พิงให้เพียงพอตรงนี้เป็นจุดสำคัญเปิดเรื่องตาก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้แต่ตายที่ไหนที่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่จิตจะปลดเครื่องตนออก จากสิ่งที่เป็นไทยทั้งหลายให้หลุดพ้นที่ไหนเป็นที่พอใจเป็นจุดที่เราต้องการเอาตรงนี้แต่กังวลกับเรื่องอะไรทั้งหมดโลกเขาไม่มีอะไรหรอมมิจะใจของเราไปกังวลกับเขาอย่างเดียวหาเรื่องหาลามายุ่งตัวเอง ต, อเอตัดออกพื่อสติด้วยปัญญาของเรามันเห็นเอยที่ไหนก็เล่าคนเดียวอืม คนเยอเท่านั้นแ่ะเอก็เกิดคนเดียวะลุงม้อมอยู่นั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะนั้นคือเราเท่านั้นเนี่ยเจ็บก็เราเท่านั้นผู้เียบตายก็บเราเท่านั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้เจ็บแทนไม่ได้เราเป็นคนตายเองแทนเราต้องเป็นคนพุทธเอมาถึงจะารณาโถด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่ ขอพระเจ้าทรงโปร่งให้ผตโรงอายุสังขารในวันนี้แล้วก็โปร่งที่เหลือทัณหาอาสวะมันตก ใ, ในวันนี้ตัวนี้ะตัวสําคัญตปรงให้ตกเสียการตายเมื่อไหร่ก็ตามมันจะไปตายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าตรันว่ากไม่สําคัญสนำะหรับเรานะอืมันหมดลมหายใจเมื่อไหร่เป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราแล้วอเอาแพทย์ลมหายใจหมดแค่นั้ น, น, น รู้ว่าใจยังมีอยู่มันก็ยังไม่ตายเอ้าวหายไปไปเรื่อยไปมัญหาอะไรก็ยุ่งอย่างนี้รุมรวมๆแรงๆสําคัญก็คือเราสร้างหลักเพื่อให้จิตใจมันเป็นอัตโนหิอาตานิยะอาตโนนาโถอย่างเต็มพูมินั่นเป็นที่ถึงพอใจการเป็นการตายตายที่ไหนตายที่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติละ การแสดงทำก็ยังมีส่ววปน